คณะสัตาายาโยมเนี่โยมเนี่เป็นกำลังวอกกันมูมมาปามัมาเด่นหลวงพอ่อเป่าให้เสียงดังฟังชัดเลยว่ะหลวงพ่อในเองเนี่เรื่องกระถินวัดป่าบ้านตาดนะหลวงพ่อถึงอยู่อยู่ห่างไก ล, ล, ลก็บหลวงพ่อเนี่เป็นลูกหลานะเป็นศิษย์ศิษย์ยาววยศิษย์ขององค์หลวงตาเดในกำลังสร้างพิพิธภัณฑ์ เออพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีย์ที่วัดป่าบ้านตาดแต่ในเจดีย์พิพิธภัณฑ์ใช้เนื้อที่ทั้งหมด38ไร่มันมีอยู่3มอย่างคือพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ในเนื้อที่38ไร่แล้วก็มีสร ะ, ะน้ำรอบๆสระน้ำามสเมตรความกว้างของสระน้ำแล้วก็มีพระเจดีย์อยู่ตรงกลาง สุดพรเจดีนี่ฐานสูงประมาณสักแปดเมตรสูงทั้งหมด60เมตรพระเจดีพระเจดีพ่ะเจดี เ, เดนี่ยสูง60เมตรนะ แ, แต่ตอนนี้ทูนกมอมฟ้าหญิงมาวางชิลาเลิกเมื่อเมื่อหลงตาจากไปได้ประมาณปีกว่ า, วาทวนกมอมฟ้าหญิงมาฟังวางชีลาเลิก ตั้งแต่บัดนั้นมาก็าประกาศว่าจะสร้างพระเจดีย์และจะสร้างพระพิหารทั้งพระเจดีย์ล่ะคนก็หย่อนตู้จนมาถึงวันที่17มิถุนาปี60ศหลวงตาจากไปปีปี -53 ปี -53 าไปปี -53 ต่อปี -54 กับปีห5หเริ่มเก็บเงินจากพี่น้องประชาชนคนที่มาร่วมอยากจะมาสร้างพระเจดีย์หลวงตาต่างกลัมต่างวาระนีะ เก็บเงินจนถึงวันที่17มิถุนาหนเป็นเวลา5ปีกว่ากว่าได้เงินทั้งหมด537้าเล้านที่คนมาหยอดตู้นะแต่ไน้537ล้านเนี่ย เ, เราจะสร้าง3มอย่างคือเจดีพระวิหาร<ม>พิพิธภัณฑ์แต่เจดีกับพระวิหารเนี่ยสองหลังเนี่ยเซ็นสัญญาเมื่อวันที่17มิถุนา 4ี่ร้อเก้าสิบล้านแปลว่าจบไปแล้วแต่ยังเหลือพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี่ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้เซ็นสัญญาแบบปลอนแบบแปนก็พึ่งในรายละเอียดเพราะพิพิธภัณฑ์มันต้องเรื่องรายละเอียดก่อนที่จะตัดเสื้อกใส่คนก็ต้องเห็นคนซะก่อนว่าตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโตว ต, วตัวผอมตัวอ้วนจึงจะตัดเสื้อใส่ได้อันนี้ก็เหมือนกันพิพิธภัณฑ์เนี่ย เนื้อหาสาระของพิพิธภัณฑ์ที่จะอยู่ข้างในนะมีอะไรบ้างประวัติของหลวงตาหลวงตาเกิดที่ไหนหลวงตาศึกษาอย่างนั้นลวงตาอยากจะบวชไหมในในประวัติของหลวงตาหลวงตาไม่อยากจะบวชเลยนะไม่หลวงตาไม่คิดจะบวชเลยนะแต่ทําไมหลวงตาจึงบวชเนี่ยน่าศึกษาล่ะหลวงตาเนี่ยเป็นหนุ่มขึ้นมาพ่อแม่ของหลวงตามีลูกชาย มีลูกถึงแปดเก้าคนมีลูกชายอยู่สี่คนเป็นพวกยินถึงห้าหกคนเออแในลูกพี่ชายใหญ่ของตาของเราเนี่ยพอเป็นหนุม่มขึ้นมาพ่อแม่ตามปกติทั้งอีสานเนี่ยลูกชายคนถ้าเป็นลูกชายก็ต้องให้บวชก่อนยังค่อยไปแต่งงานแต่นี้ลูกพี่ชายของท่านพอเป็นหนุม่มขึ้นมาสาวตุมตอมนในสมัยนั้น ก็เลยไปแต่งไม่ได้แต่งงานแบไม่ได้อย่างที่พ่อแม่พูดเลยสาววิ่งตามก็เลยได้อได้ครอบครัวไปพอทีนี้หลวงตาเนี่ยเป็นคนที่สองเห็นเป็นคนที่สองนี่พ่อแม่ก็หมายมั่นปันมือเพราะคนที่แรกพลาดไปแล้วทีนี้คนที่สองก็ยังจะให้บวชทีนี่ถ้านอกจากหลวงตามานี่มีแต่ลูกสาวทั้งหมดเลยทีนีอมีแต่น้องเกือบเกือบคนฉุดท้อง ทั้งหมดทั้งหมดน้องของจุดท้องเนี่ยเประมาณสองค น, นห่างกันอีกเลยถ้าว่าพลาดจากหลวงตาไปแล้วเนี่ยไม่รู้กี่ปีจึงจะได้บวชพวกน้องน้อ ง, น, องน้องชายสองคนอีกเนี่แหละพ่อแม่ก็วิตกกังวลเธอเนี่ยแต่หลวงตามาหาบวชพอเป็นนมคุ ม, มาก็รูปหล่อพอสมควรเลยพูดเก่งวาทะเก่งอีกต่างหากเทอเนี่ยสาวก็โอ้โหมาลุมมาตุ้มมาตุ่มมาหลุมพ่อแม่ก็ไม่สบายใจเธอนี่ย กลัวลูกจะไม่ได้บวชกลัวจะเป็นเหมือนกับพี่ชายใหญ่ใช่ไหมล่ะแต่เด้ก็พ่อแม่นะก็ปรึกษากันเลยเอยเราจะสอนอยังไงถ้าจะพูดไปก็กลัวลูกจะเสียใจเพราะไอ้หลวงตาของเราเนี่ยใจเดียวใจเดียวต่างหางเนะี่ยทไม่พอใจเนี่ยเลยแต่เดิมอนี่ยเออใจร้อนอีกต่างหากถึงพ่อแม่ก็เกงอกเกงใจไม่รู้จะพูดยังไงดีใช่ไหมแต่อยากจะให้ลูกชายบวชเพราะครบบวชอล้อายุยี่สบแล้วเนี่ยปีนั้น่ะ ก็เลยปรึกษากันสองตาใหญ่ลงตามหาอัเพาะสองตายกญ่ปรึกษากันว่าเอเราจะทำยังไงเราจะให้ลูกของเราบวชในวาวันหนึ่งเรามาทานอาหารตามปกติชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาจะกินข้าวตอนเย็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทุกคนะ่ะต้องมาล้อมวงกัดเพราะอาหารมันจํากัดใช่ไหมได้อาหารมากันมีอะไรมาก็ต้องไอ้พ่อกับแม่เนี่ยลูกตัวเล็กๆ ก, ก็มานั่งอยู่ข้างๆพ่อกับแม่ ก็ก็ต้องเอาให้พ่อให้ลูกเลี้ยงลูกด้วยพูดที่เลี้ยงตัวเองได้ล้กันนั่งอยู่วงกว้างกินตามปกติแต่ลูกเล็กๆนั่นก็พ่อแม่เป็นคนดูแลอันนี้คือประเพณีของชาวบ้านแต่วันนั้นพอมานั่งทานอาหารด้วยกันกันกบพ่อแม่เนี่ยลุงตาของเราเนี่ยก็มานั่งเข้ามาใน่งทานอาหารพ่อแม่ก็นัดกันไว้ละจะให้ใครเป็นคนพูดให้พ่อเป็นคนพูดใช่หม อให้พ่อเป็นคนพูดพ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออบัวเดีก็เดือนหกแล้วเดือนพุทธภาแล้วเนี่ยจวนจะเข้าพรรษาแล้ว อ, อพ่อแม่เนะี่ยอยากจะให้นเธอบวชนะให้เจ้าบวชนะเพราะพี่ชายใบยใหญ่ก่อนเราไ ม, ม้ม้านปั้นมือก่อนเนี่ยแหละไม่ได้บวชเนี่ยนะอยากจะให้บัวบวชนะได้ไหมบวชให้พ่อให้แม่เออถ้าว่าลูกไม่บวชให้พ่อให้แม่เห็นนะลูกของพ่อแม่ทั้งเจ็ดแปดเก้าคน พ่อแม่ไปหามาเลี้ยงเท่าไหรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รู้ ก, กบไม่รู้เขียดไม่รูป้ปลาไม่รูส้สัตว์ปลาสัตว์บ้านฆ่ามามาเลี้ยงลูกนชีวิตของเขาเท่าไหร่ถ้าว่าไม่มีลูกชายบวชให้พ่อให้แม่นมันเหมือนกับไม่มีใครจูงแขนพ่อแม่ขึ้นมาจากนรกพ่อแม่จะไม่รู้จะตกนรกหลุมไหนเพราะหามาเลี้ยงลูกเพราะนั้นอยากจะให้บวัวบวชให้พ่อให้แม่ได้ไม่ลูก เพราะนั้นถ้าหากว่าลูกไม่บวชให้พ่อแม่เนี่ยเหมือนกับพ่อแม่จะตกนรกลุมไหนเนี่ยพ่อแม่คิดมาจุดนี้นะเดี๋ยวจะจะให้ลูกบวชแต่พี่ชายใหญ่ก็เป็นอย่งงางนั้นไปแล้วนะีะมีมีแต่ความหวังกับเนะนี่ยบัวเนี่ยแหละแล้วลกน็น้องจะน้นก็เป็นน้องหญิงทั้งหมดกว่าจะได้บวชอีกไม่รู้กี่ปีทีนะี่น้องชายอีกสองคนนะอนะพอพูดเท่านั้นนะ พ่อพูดเน่ยพอพ่อเป็นคนพูดพอพูดน้ำตาพ่อร่วงเลยใครๆบอกพูดออกมาจากจิตใจจริงๆว่าเงั้ยเนี่อพ่อพูดออกมาจากจิตน้ำตาล่วงพอน้ำตาล่วงแม่ก็น้ำตาร่วงอีกึงเนี่อพ่อพ่อแม่อยู่ด้วยกันพ่อแม่น้ำตาลยโอ้ยเราเห็นพ่อแม่น้ำตาล่วงเน่ยเรากดดออกจากวงข้าวเลยทัวันนะไม่กินข้าวเลยในคืนนั่นนะพอออกไปที่นี่ก็ ไปกันนั่งคิดเอเราบวชได้หรือเราติดกําลังติดสาวสาวกำลังติดเรางั้นเอะอมันกําลังสนุกก่าเอะออมีอะไรก็เป็นเป็นสวรรค์ไปหมดมางั้นเถอะบวชไม่ได้นะเราเนี่ยเราจะอยู่ยังไงถ้าบวช้าไปเดี๋ยวสาวก็ไปมีผู้อื่นอีกทีนี้เสียดายสาวอีกต่างหากทีนี้เออมันมันคิดมวลมันไปหลายๆอย่างทีนี้พอในสุดนะคิด ไม่ตกลงวันหนึ่งก็แล้ววันสองก็แล้ววันสามถึงวันที่วันที่สามนะไม่ได้มากินข้าวกับพ่อแม่สามวันพอวันที่สี่เอาเถอะแต่ไม่ใช่ไม่มากินนะพ่อแม่กินข้าวเสร็จแล้วเขาเก็บไว้ที่ไหนเขากรองแกงกินไปก็ไปกินเหมือนกับแมวนดีไปขโมยกินวันเงินพอขโมยกินเสร็จแล้วก็ออกไปเอไม่ได้ไม่กล้ามาสู้วงต่อหน้าวันเงินเถอะพอดูพ่อแม่จะถามอีกว่าเงินเถอะ พราตัวเองตัดสินใจยังไม่ได้พอถึงวันที่สี่นี่กลับมาแข็งใจล่ะเตะเอายังไงวะบวชก็บวชวะก็เลยมานั่งในวงข้าวบอกมายังไม่ได้ทานอาหารเลยนะเตะนี่พูดขึ้นมาก่อนเลยว่างเย้ยเตะพราพอ่อแม่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัดสินใจยังไงคนพอ่อคุณแม่อยากจะให้ผมบวชผมก็บวชได้แต่จะบังคับให้ผมอยู่เท่านั้นปีเท่านี้ปีผมจะไม่บวชออ ถ้าพ่อแม่จะบังคับให้ผมอยู่ตลอดไปผมจะไม่บวชถ้าจะให้ผมบวชอา้าผมก็จะบวชให้แม่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอาเธอลูกในเมื่อลูกตัดทิ้งใจจะบวชให้พ่อให้แม่นะถึงจะเข้าไปในโบสถบวชเสร็จแล้วกลับออกมาลาสิกขาเลยพ่อแม่ก็ยินดีพ่อได้เห็นชายข่าของลูกชายที่ได้บวชเป็นพระโอ้โหแม่ของเราเนี่ฉลาดจริงๆท่านว่านะ ใครจะเป็นบ้า บ, บ, บวชออกมาฤาษีทึกใครจะไปทําได้นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นประวัติที่ดีงามสําหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราสร้างพิพิธภัณฑ์เราก็ต้องเอาเนื้อหาสาระอย่างนี้แหละเข้าไปเพื่อจะเป็นการบอกกล่าวถึงอนุชนรุ่นหลังลูกหลานของ เ, เออใช่ขนาดหลวงตาที่ท่านเป็นหลวงปู่หลวงตาท่านก็ไม่ได้เอาใจของท่านนะท่านยังเชื่อฟังคําพ่อคําแม่ของท่านเราเนี่เป็นใคร เราจะดันทุกลังจะไม่เชื่อฟังคำผู้ใหญ่เลยพ่อแม่เลยเราก็ไม่น่าจะถูกนะนะถ้าเด็กคนใดที่ไปฟังไปอ่านแนละจะได้เป็นแนวความคิดเป็นคารคิดค่ า, า, าแบบเบรกตนเองไปในทางที่ไม่ถูกต้อง น, ะนี่แหละคือพิพิธภัณฑ์ถ้าเราทำเสร็จแล้วจะเป็นเนื้อหาสารสอนธรรมะ เ, เหมือนกับเด็ก เ, เหมือนกับเด็กเป็นเหรียญฉลึงใช่ไหมละ่ะแล้วผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นเหรียญ ปเปหรียญห้าใช่ไหมแต่เป็นพระเนี่ยเหรียญสิบใช่ไหมเนื้อหาสาระจะไม่เหมือนกันแต่นเรากําลังคิดจนหัวจะแตกเหมือนกันในะจุดที่จะเอาเนื้อหาสาระใส่ในพิพิธภัณฑ์นี่นะอแต่พิพิธภัณฑ์ของปุรีทําแล้วคือทำขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกันอทําไมจะมาทําซ้าซ้อนทําไมตามไม่จริงมันเนื้อหาสาระต่างกันพวกเราต้องทําความเข้าใจ คือพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่หลีท่านไปจำลองมาจากพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นที่จังหวัดสกลนครที่หลวงตามหาบัวเนี่ยแหละเป็นผู้สร้างกับดรท่านองค์ขมวันตรีดรชาวิศรีละวันเป็นประธานทั้งฝ่ายขรวาสหลวงตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นที่สกลนครพอสร้างขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นที่วางอัตบริการอันนี้บาทอันนี้จีว อ, อันนี้รองเท้าอันนี้อะไรเครื่องกรองนะ้ํากรรมฐาน แอร์ผ้าจีวรผ้าสะบงอะไรของท่านแล้วก็ไปกราบหลวงปู่มั่นเสร็จแล้วเราก็มาชมบริขารของท่านกับยกมือไหว้จากนั้นเราก็ออกอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่หลีแต่พิพิธภัณฑ์ที่เราจะสร้างขึ้นมาจะเป็นเนื้อหาสาระจะเป็นแผ่นเอามาเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนเนีสอนคนให้ได้อ่านให้ได้ศึกษาเนี่ยนี่แหละ อันนี้คือเราคิดมาได้คิดบางทีอาจจะมีเสียงออกมาอีกเหมือนกับเข้าไปในพที่นั่งอนันตสมาคมใช่ไหมขอเข้าไปเสร็จแล้วเขาจะให้เหมือนกับโทรศัพท์นี่ยเป็นหูดำดําแต่เสร็จแล้วเน่ยเขาเราจะไปฟังประวัติหลวงตาเนี่ยอตอนไหนตอนท่านออกบวชเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เราก็กดหนึ่งสองสามสี่มันก็พูดออกมาจากนั้นเลยเราก็ฟังคนเดียวเลยใช่ไหอเนี่ยมันเทคโนโลยีสมัยนี้ทุกวันนี้มันมากหลากหลาย เพรานั้นเราจะฟังแนวปฏิบัติของโลงตาปตแนวปฏิบัติของโลงตาที่ใต้สํำเร็จมัมกผลสูงสดุดเรากดหนะ้ากเจ็ด8ดกดห้าหก็ดปดก็ฟังลงตาเทศออกมาเลยเป็นเสียงลงตาเลยเอาเสียงลงตาออกมาพูดนั่นเลยนี่แหละอันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์จุดนี้ เ, เราจะทําให้กล้าสมัยพอสมควรเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่เศรษฐกิจทางอื่นนะเศรษฐกิจเมืองอุดรพูดได้เลย อคนจะหลังไหลเข้ามาเมืองอุดรเออแต่หลวงพ่อเนี่ยตายไปแล้วอายุเจ็ดสิบสามปีแล้วพอสร้างเสร็จหลวงพ่อก็ตายแล้วเอแล้วจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของเมืองอุดรต่อไปเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพี่น้องเมืองอุดรทุกคนให้ให้ใส่ใจให้สนใจมันไม่ใช่สมบัติของผู้ได้หรอกมันเป็นสมบัติของเมืองอุดรใครมาเจยบพื้นแผ่นดินไทยเขาก็บอกว่าเอสมัย ต้มแบบต้มยำกุ้งปี3940เ้าสี่ศทราบว่าประวัติมีพระองค์หนึ่งพระแก่องค์หนึ่งในพุทธศาสนาหาทองคําเข้าคลังหลวงถึงส3ามตันท่านหาได้อย่างไรคนเจดน้มนาวคนให้มีศรัทธาหาเงินหาทองคาเข้าคลังหลวงถึงส3ามตันท่านพูดอย่างไงเออยู่ที่ไหนบเนี่แหละเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกเพราะนั้นมาที่เมืองอุดรมากระจับใจใช้สอยเมืองอุดรใช่ละ่ะ เมันก็เป็นผลดีต่อเมืองอุดอรไม่ใช่ผลดีต่อคนอื่นไกลถ้าเราต้องคิดต้องคิดให้ไกลนะอย่าไปคิดใกล้ๆนะหลวงพ่อคิดให้ไกลหลวงพ่อคิดไกลนะคณะสัตายาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะนี่แหละที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟั ง, งนี่เรื่องพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาวันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดตุลาพุทธศักราช25งพน้าร้ิบี่แหละเป็ว่าก้าวนากาถ้าเป็นไปได้ก็เนี่ยนะ ฟังฟังดูแล้วก็คงจะเราต่านผู้ใดมากล่าวเป็นผู้ใหญ่น่มากล่าวมาม า, มามาน้อมถวายผ้ากถิน่นเสร็จแล้วเราก็จะได้หาทุนเข้าสร้างพิพิธภัณฑ์คองหลวงตาๆๆแจงยอดนะแจงยอดนะแจ้งนี่ก็ได้ น, นี่หรือจะให้หลวงพ่อแจ้งกันเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่ยอดสโมสรลอตรารี่กับคณะหลายๆคณะนะ ที่มาทําบุญในวันนี้เป็นเงินสองหมื่นห้าพันสามรอยแปดสิบบาทอนุมูลธนาเนเอเงินสองหมืนกว่าบาทเนี่เป็นค่าน้าําค่าไฟค่าอาหารของพระสงฆ์พระสงฆ์เดี๋ยวนี้มีอยู่สี่สิบกว่าองค์ในวัดของหลวงพ่อนะเพราะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาบวชเนี่ยก็ต้องได้ที่พัดลมม้นอยู่นี่ก็ต้องได้ใช้ ไม่ได้เสกคาถานะไฟที่จุดขึ้นมากันนีอตรงนี้ค่าอาหารพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยเพลเพลยังเอาไปเข้ามูลนิธิมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าหลวงพออ่อพระสงฆ์ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรเขาเปลี่ยนหัวเขาเปลี่ยนหัวเขาเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณสองแสนแต่ว่าเงินสามสิบบาท เงินสามสบบาทที่เขานั้นน่ะของรัฐบาลเขาหักออกมาได้เพียงห้าหมื่นหลวงพ่อจะจ่ายมั้นเอาเงินมูลนิธิที่หลวงพ่อมูลนิธิพระอินทไวสันตุสโกเนี่ยหลวงพ่อจะยอมจ่ายไหมแสนห้าหลวงพ่อออืจะทํำยังไงได้พระก็ยังนมอยู่หัวเขาไปดีเดินไม่ได้เมื่อก็เสียทรัพยากรอีกใช่ไหมถ้าเดินได้มันก็จะมีเป็นประโยชน์ต่อ ไม่เป็นภาระของใครนะเอา้าจ่ายหลว ง, งพ่อก็ต้องบอกอย่างนั้นนี่นะเสียนะ <c oughs> เงินของหลวงพ่อจ่ายจ่ายอย่างนี้นะ่ะจะทํายังไงได้ก็เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะ่ะ เ, เพื่อนั่นแนหะคนในชาติที่ศรัทธาจ่ายโยมมาถวายอยนะี้เต็มท์มาก็เกินไปกระจายนี่เมื่อกี้เนี่ยก็บพี่น้องชาวขอนแก่นอลวงพยาิวาลศูนย์คอนแก่นเข้ามาหลวงพ่อเจ้าขาหลวงพ่อครับนายแพทย์นะ อ่เนี่ยโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเครื่องมือตา เ, เดี๋ยวนี้รู้สึกเบาหวานในอีสาเนเ ย, ยอะเหลือเกินทวีคูณมันแปลกเหมือนกันพอคนสมบูรณ์ขึ้นมาแลยก็เบาหวานก็ตามมาเบาหวานมากทีเีมากมากๆเลยแต่เนี้พอเบาหวานขึ้นตาเพอขึ้นตาแล้วเครื่องมือก็ไม่มีเครื่องมือแบบของรัฐบาลใช่ไหมไอ้ถ้าไปรถไป ไปเอกชนมันก็ไม่ว่าแล้วแต่มันแผล่เลยเนีเป็นหมื่นๆแสนก็ไม่มีเงินเลยขาเข้ากลุ่มเขาเก้ากลุ่มของรัฐบาลของรัฐบาลก็ไม่มีเครื่องมือเลยเนี่ยผลสุดเนี่ยแหละมหาหลวงพ่อหลวงพ่อเท่าไหร่แล้ววะประมาณสามล้านมีหมออยู่ห้าหกเจ็ดคนแต่ไม่มีไม่มีเครื่องมือมีแต่เมื่องมือเก่าๆพอเข้าไปนี่ยตัวตาบอร์ดก็เท่ากันเพราะว่าเครื่องมือตัวนี้มันต้องละเอียดพรเบาหวานเป็นแผลเข้าไปแล้วมันจะไม่หายนะเบาหวาน ต้องเครื่องมือละเอียดเนี่อหลวงพ่อจะพอพอพอมอบพอได้ไหมหลวงพ่ อ, เ, อ, อเดี๋ยวเดี๋ยวรับไว้พิจารณากลับไปถึงวัดซะก่อนพอกลับมาถึงวัดก็มาดูพมาดูกระเป๋าเลแทีนี้กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังจุดนั้นมีอะไรเมียอะไรน่าจะไหววะไหวเออสามล้านก็เลยให้พระอยู่ที่นี่ท่านเป็น อท่านเป็นทนายความเก่านะท่านอายุตั้งหกสิบกว่าพออายุสี่กสิบท่านก็นเลยลาลาเป็นทนายความของซีพีนะท่านลาออกมามาบวชเลยเ อ, อบวชมาได้หลายหลายปีแนตะ่สองสามปนะีแล้วก็หลวงพ่อเอ้ยหลวงตาทนายสามโดวยี่ว่าบริษัทนี่เนะี่ยมันอยู่ไหนวะเ อ, อไม่ต้องผ่านนายหน้าแต่ผ่านตรงตรงเลยเมันราคามันเท่าไหร่กันแน่วะ ก็เลยถามนะว่าเท่าไหร่เขาก็ว่าสามล้านครับหลวงพ่อเออต่อต่อเขาที่ว่าเท่าไหร่หลวงพ่อต้องการเท่าไหร่ต้องการสองล้านห้าเออเขาเลยต่อเท่าไหร่หน่อยเอาเน็ตเน็ตสิไม่มีคอลับไม่มีคอมมิชชั่นนะเออจ่ายสดเลยเท่าไหร่สองแสนแปดแค่สองล้านแปดเขาบอกกันนะสองล้านแปดพาระกเลยบอกอืมเรามีมีเงินน้อยเอาสองล้านห้าก็แล้วกันนะ เข า, าเออเอ้าทางว่าทางวัดไม่มีอะไรอย่างที่ว่านี่ยก็เอาสองล้านหกก็แล้วกันอะหลวงพ่อได้สองล้านหกทีนีเน้เห็นไหมหลวงพ่อจนเด้ไม่ใช่ว่าคิดได้คิดเอาไม่เอาได้ต้องต่อตรงนั้นเอะต่อรองพอสองล้านหกเขาก็สั่งของมาจากเป็นของฝรั่งเศสหรือของเยอรมันหลวงพ่อก็จับไม่ชัดเครื่องมือตัวนี้นะ พอเข้ามาปุ๊บเข้ามาสั่งเดือนหนึ่งแนละ้วจะค่อยเข้ามาถึงนะเข้ามาเลยถึงแล้วครับหลวงพ่อจะให้เอานําเครื่องมือมาหาหลวงพ่อก่อนไหมเออไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไมเอาเข้าไประจำการเลยเอาไปประจําที่เลยประจําการนะ่ยถ้าประจําการแล้วเนะี่ยถ้าใช้ได้ผลดีเดือนหนึ่งเราค่อยจ่ายเงินเออเพระาะว่ามันต้องทดสอบทดลองสักหนึ่งเดือนแต่มันเสียหายที่ตรงไหนเขารับประกันสองปีนะเขาติดตามปกติเขารับประกันหนึ่งปีนะ หลวงพ่อโอ้ยอันนี้เป็นเครื่องของวัดเหลวงพ่อขอรับประกันสองปีนะเขาก็ให้สองปีนะรับประกันสองปีเออเด็กๆก็นี่ยแะเผื่อมันเสียหายอะไรหมอเขาแล้วก็จะต้องได้พึ่งผ่าอาศัยใช่ไหมล่ะสปีใช่ไหมหลวงพ่อมันก็เกิดประโยชน์ใช่ต่็กๆเขาก็รับประกันสองปีแต่แล้วเขาก็ได้หนึ่งเดือนเขากลับมาหลวงพ่อครับครบแล้วเออเอามา เขาเอเอาเอกสารมาเอกสารมาเขเลยบอกว่าเขาเอามาทำงานเดือนหนึ่งเนี่ยเอเดือนหนึ่งทำกับคนไปแล้วร้อยกว่าคนครับโอ้โหหลวงพ่อได้ยินเพียงแค่นี้หลวงพ่อกอ็สบายใจ เ, เราให้ของถูกจุดมั้งกันเอะเอมันมีประโยชน์จริงที่เราให้ไปเนี่ยอพอต่อมาอีกช่วงอีก เดือนที่แล้วน่ยวันที่หนึ่งที่สองเดือนกันยาเดือนกัจยาเนี่ยวันที่สองหลวงพ่อไปมอบมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลวงพ่ออยู่ในนี้นะแต่เป็นผู้มอบทุนให้นักศึกษาประมาณอคนนะร้อยคนคนละสามหมื่นเพราะเราหลวงพ่อเนี่ยก่อนหน้านี้หลวงพ่อไปเขาให้เป็นไปไปไปเป็นประธาน หาเงินให้กับพี่ให้น้องของโรงพยาบาลศรีนครินคือรุ่นพี่ออกไปจากมหาวิทยาลัยเป็นห้าสิบกว่ารุ่นแล้วน ะ, ะมหาวิทยาลาัยขอนแก่นแต่เนี่พอจบไปแต่ละรุ่นก็เลยบอกว่ า, วาพี่ให้น้องของละหนึ่งพันหลวงพ่อก็เลยตบหลวง พ, พ่อเองว่าจะเป็นพี่เป็นน้องหรอแต่เป็นพระเหมือนกันเถอะเขาก็นดมนต์ไปไปเป็นประธานหลวงพ่อก็ไปแต่ เ, เอาพ่อหลวงพ่อเองเอาเงินวัดไปอีกนะ เอาไปให้อีกสามแสนเหมือนกันเถอะเอาเพื่อไปให้เป็นทุนการศึกษาลูกหลานแต่ที่เขาก็เลยแบบเอาหลวงพ่อไปเป็นประธานแจ ก, กมูลนิธิหลวงพ่อก็ไปแจ ก, กนึที่ผ่านมาเนี่ยนะอนักเรียนสามนักเรียนหนึ่งรคนนักเรียนกลุ่มนี้นะ่ะมาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นบอกว่าใครก็ตามถ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แล้วต้องได้เรียนทุกคนจะเป็นคนยากคนจน พยายามหาทุนให้ได้เรียนทุกคนเนี่ยหลวงพ่อกเออเป็นความคิดที่ดีในเมื่อเขามีความสามารถเด็กเขาเก่งนะเรากลัวจะส่งเสริมเออตอนี้เขาก็เนี่ยเขาก็ให้ตอนี้เขาก็บอกคนใดที่อยากจนเขาก็คาดมาแล้วตอนี้พ่อแม่ปีหนึ่งได้เงินไม่ถึงหกหมื่นเขาจะให้ทุนยดูทุนเนี่ยนะทุนะ 30, ละสามหมืนเนี่ยนะหลวงพ่อก็ไปมอบทุนตอนนี้นะ อ, อ หลวงพ่อกับพ่อไปมอบทุนน่นน่ะนี่แลหละกลรบเขาก็มาหมอขอนแก่นก็เลยบอกท่านอาจารย์ครับหลวงพ่อครับเนี่แหละตั้งแต่ท่านให้เครื่องมือมาประมาณสองเดือนกว่ า, วาเนี่ยเกือบสามเดือนเนี่ยเราใช้กับคนไข้ไปแล้วได้ห้าร้อยกว่าคนเครื่องมือตัวนั้นอ่ะโอ้หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่ออือเ อ, อีภาคภูมิใจบ่ได้จตุปัจจัยได้มานี่มีคุณค่าจริงๆให้กับ ชีวิตของพี่น้องประชาชนคนในชาตินะเี่ยนี่แหละนี่แหละจะตุปัจจัยที่ได้มาหลวงพ่อนี่แบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังเข้ามาแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งมากเรื่องเราหลวงพ่อก็ไปพูดเีงนะไปพูดที่งนี่ยนะพอพูดเสร็จแล้วก็เขาก็ให้หลวงพ่อกล่าวสัมโมโอธนิยกถาเขาว่าไงนนะ่ะ ท, ทั้งขั้นอธิการบดีทางคณะบดีทุกกลุ่มว่างัง น, นะนั่งถึงท่านอธิการบดี คณะบทีนั่งเป็นแถวเนี่ยเดียงปีกหลวงพ่อไปเหมือนกับพระอันดับใส่คุยทั้งหมดอะไรอย่างเ้นเถอะแต่พวกนักศึกษากันที่มหาวิทยาลัยที่โดมใหญ่ๆนะการจนะพิเศษนะแต่พวกเราคงไปเห็นนะบนใหญ่มากเลยคนเต็ไมไปหมดนักศึกษาขนาดปีแรกนี่ยแค่สามพันละนักศึกษาปีแรกที่สามพันอยู่นะนั่งเต็มเาะฉะนั้นหลวงพ่อก็เออเอาฟัางลูกหลานว่ะ ลูกหลานทางหลายต้องฟังนะเห็นไหมหลวงพ่ออินเนี่ยมาจากวัดป่านาคําน้อยเน่ยเดินด้ด้านมาตั้งแต่ตีสีนะลูกหลานมาถึงพวกลูกหลานนี่นะลูกหลานอย่าไปใจร้อนไม่ได้วันนี้ลูกหลานต้องฟังมีอะไรลูกตาจะพูดอะไรให้ฟังลูกหลานต้องฟังนะนี่ยแหละหลวงพ่อก็เลยมาพูดตอนหนึ่งตอนหนึ่งให้ฟังว่านี่ยแะการที่พวกลูกหลานได้เงินไปแล้วเนี่ยต้องเก็บไว้ให้ดี ส่งรักษาถ้าพวกเราใช้ไอรจูแฉกมันก็หมดไปพอ ก, การศึกษาของเราก็จะตกต่ําเพราะฉะนั้นเราได้เงินมาต้องเก็บไว้รักษาสแสวงหาเก็บไว้ใช้จ่ายให้เป็นอย่างว่าในหลวงทวัดเศรษฐกิจพอเพียงนะให้รู้จักหาแล้วก็ให้รู้จักเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้หากาให้มันขยันในการหา พอหาได้มาแล้วจะไปใช้ลูจุยแช่ก็ไม่ได้เหมือนกับตุ่มหมดหม้อน้ํากคนรั่วคนแตกนะเอาตักมาเท่าไรมันก็รั่วหมดเพราะไม่รู้จักไม่รู้จักเก็บใช่ไหมแต่บางคนก็ใช้ใหลูหชุ่ยแช่ขึ้นไปบางคนก็ขี้เหนียวจนเกินไปเออมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือให้รู้จักขาและก็ให้รู้จักเก็บและก็ให้รู้จักใช้นี่แหละอถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราเศรษฐกิจพอเพียง ให้รู้จักสถานะของตนเองเราอยู่ในสถานะอย่างนี้เรายากจนอย่างนี้หรือเรารวยอย่างนี้ถ้าคนรวยใช้แบบประหยัดขี้เหนียวเกินไปก็เป็นที่ตําหนิของชุมชนสังคมโโหเฒ่าแก่ขี้เหนียวเหลือเกินครบไม่ได้เขาจะวายอย่างนั้นไปอีก ถ, ออถ้าว่าใช้ฉลุยช่วยไหลกวนเกินไปเขาก็ดูถูกอีกว่าใช้เงินทําไมใช้ฉรุยช่ยแชกเกินไปไม่รู้จักประมาณตนนี่แหละ อันนี้สรุปแล้วก็คือให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บไปรู้จักใช้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละท่านในการเก็บกันบริหารจัดการหลวงพ่อนีในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสมัยหนึ่งหลวงพ่อจะพูดเป็นชาดกให้ฟังนะเพื่อจะได้จําง่ายสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นทนทุกกตะเป็นคนจนอยู่ได้เกิดอยู่ที่เมืองพาราณสี สมัยนั้นพระเจ้ า, มมาพรมทัตเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมืองตอนนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดเป็นลูกกษัตริย์ลูกเศรษฐีคนรวยอย่างเดียวไม่ใช่นะบางบางชาติพระองค์ถล่มเป็นคนจนนะแต่คนมาพระองค์เกิดมาในชาตินั้นเป็นคนจนแต่พ่อแม่นมีแต่วัวล้อ ก, กับเกวียนลําหนึ่งเป็นมรดกแต่ทุกตะคนนั้นเนี่ยถึงจะจนก็ตามเกิดมาแนละ้วเป็นคนขยันไม่ย่อท้อในชีวิต ที่ว่าตัวเองเกิดมามันเลือกเกิดไม่ได้เกิดมาแล้วมันก็ต้องขยันความขยันจุดนี้แหละจะเอาตัวรอดได้ทุกกตะคนนั้นพอเกิดขึ้นมาแล้วก่อนใหญ่ขึ้นมาแล้วกันเนี่ยพ่อแม่หาฟืนขายในตลาดตัวเองก็รับภาระขึ้นมาไปหาฟืนที่ป่าชงป่าชาที่ไหนที่มันว่างไปตัดกิ่งไม้แห้งใส่ฟืนใส่กวนมาพอไปไปแต่เช้ามืดพอไปหาฟืนเสร็จแล้วตอนเย็น ลากฟื้นเข้ามามาขายใครใครจะรับมีออเดอร์เท่าไหร่ลงกลวยเตี๋ยวมีเท่าไหร่อะไรมีเท่าไหร่เขาจดจดไว้เอาไปขายให้เขาไม่ขายแล้วทำไม่ใช่ธรรมดาพอกี่เกวียนขึ้นมาแล้วยังแบกใส่บาอีกเอถ้าเอาใส่ตะเกวียนมันน้อยเกินไปมันล้นเกวียนจะแบกใส่บาอีกเอแล้วยังไม่ยอดท้อยนะอยังร้องลาทําเพลงในเกวียนอีกต่างหาก อ่าน้องราทําเพลงสนุกสนานไม่ย่อท้อเหมือนกันเถะแต่นี้พระเจ้าแผ่นดินพรนาราณาสีบางทีพระองค์ก็ปลอมแปลงพระองค์เพื่อไปดูว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองของพระองค์เป็นยังไง อ, อ่ในการเป็นอยู่ของประชาชนบางองค์พระองค์ก็บางทีก็ประทับโดยช้างด้วยมา้าโดยอะไรเล่าตะเวนในเมืองพรารานสีแต่พระองค์เห็นข่าวใดก็เห็นนายทุกตะคนนี่เอี่ยล่าเริงเบิกบานไม่ เศร้าโศกเหมือนกับคนอื่นๆเขาถึงจะเป็นคนจน เ, เขียนฟืนมาขายเขาก็ยังยังมีความร่าเริงเอไอเ น, นี้มันเป็นยังไงวะก็เลยวันหนึ่งก็เลยจอดหยุดตัวก็เลยเรียกให้มหาดเล็กไปบอกไอ้บอกไ อ, อ, กอ้นี้มาหาใช่ไหมเขียนฟืนพอมาได้่เพืนก็จะถามเอทุกตะไอนมเป็นไงขายฟืนขายดีอยู่ครับนี่อันนี้เราเป็นพระราชานะแขวงพระนิชครับผม เป็นไงขายปืนขายดีอยู่ครับมีคนซื้ออยู่มากใช่ไหมใช่ครับขายไม่เคยขาดใช่ไหมใช่ครับเอาปืนมาขายดีครับได้วันหนึ่งได้เงินมากเท่าไหร่ก็มีพอสมควรครับก็ก็บอกให้ฟังเออแล้วแต่แกได้เงินมานะแต่แกทำยังไงที่ได้เงินมาแล้วนะผมได้เงินมาแล้วผมแบ่งเป็นส่วนๆครับออฟังนะักนะศึกษานะที่นี่นะเออนี่ย ทุกกระตาได้เงินมาแล้วเขาทำยังไงเขาได้เงินมาแล้วน่ะเขาแบ่งเป็นส่วนๆเขาบอกอย่างนั้นนะเออเอาแบ่งยังไงเป็นแบ่งเป็นส่วนส่วนหนึ่งผมเอาไปโยนลงน้ามหาสมุทรทะเลส่วนหนึ่งผมเอาไปฝังดินไว้ส่วนหนึ่งผมเอาไ ป, ไนน ม, อาไปมอบถวายให้เทวดาส่วนหนึ่ง ผมไปให้เอาไปให้งูงูเหา่างูจงอางกินเหมือนกันทางพระราชาเออันนี้พูดเป็นปริศนาเนวะพูดตรงๆสิเราก็บเราไม่รู้หรอกความหมายน่ะที่แจงให้ชัดเจนครับผมที่ได้มาส่วนหนึ่งเอาไปโยนลงน้ำมหาสมุทรทะเลคือผมกินเองผมเท่าไรก็ไม่เต็มกินวันนี้วันหน้าก็หิวกินวันหน้าหิวหิวหิว แต่ถ้าว่าไม่รู้ไม่รู้จักประมาณในการถมนะคนนั้นก็มีแต่เกิดมามีแต่หาถมอย่างเดียวก็เป็นเป็นทุกข์เพราะความกินความหิวของตนเองก็ควรจะพอประมาณต้องใช้พอประมาณในการถมน้ำทะเลพันถมยังไงมันก็ไม่เต็มถมน้ำมหาสมุทรทะเลกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเพียงพออันนี้คือการที่ผมเอาไปถมน้ำจากมหาสมุทรทะเลเออเอาเข้าใจเอาไปฝังดินล่ะ เอาไปฝังดินกันน่ยผมเอาไปฝังดินไว้เพื่อใช้ในอนาคตบางทีก็ทําทานบางทีก็ช่วยเหลือชุม ช, มชนยากจนแล้วก็ไปเก็บไว้เพื่อกินในอนาคตกล้ายว่าไปฝากธนาคารไว้อย่างนี้แหละ เ, เพื่อใช้ในต่อไปภายภาคในชีวิตของตนเองนัว่าฝากฝังดินไว้เอาไปบูชาเทวดาล่ะเทวดาที่ไหนผมเอาไปให้พ่อให้แม่ครับ ได้เงินมาแล้วผมก็ให้พ่อแม่คือพ่อแม่เนะี่ยถือว่าเป็นเสมือพระเทวดาเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้เลี้ยงดูผมมาผมใหญ่โตขึ้นมาอย่างนี้ก็เพราะพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเป็นบุาการีบุคคลผู้มีอุปกรณกร่อนเมื่อผมต้องแสดงความกตัญญูกเตเวทีตาต้องทดแทนพระคุณของท่านเมื่อเที่ยงเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วต้องเลี้ยงท่านต่ออันนี้คือบูชาเทวดาครับเอา้าเอาไปให้งูเหา่างูจงอางลหรอ ทำไมไปให้งูเห่างูจงอางด้วยล่ะทีอให้งูเห่างูจงอางเนี่ยผมออกไปให้ลูกกับเมียครับนวทุกกระวันนะลูกกับเมียนี่เป็นงูเห่างูจงอางแล้วลูกห ล, กลานนะเออถ้าหาว่าไม่เอาห้เขานี่มันมันกัดมันชกมันฉกผมผมหาความสุขไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะนั้นผมจะต้องจําเป็นจะต้องหาให้ลูกให้เมียกินด้วยเหมือนกันพอหลวงพ่อพูดจบออกมาข้างนอกเนี่ย พ้องฝ่ายผู้หญิงเขาบอกหลวงพ่อพูดไปทกไม่โทกไปท ก, กเขาบอกกันทําไมตลวงพ่อต้องพูดใหม่พูดยังไงต่อไปนี่หลวงพ่อต้องพูดว่าเ อ, อลูกเมียเนี่ยต้องหาเลี้ยงงูเขางูจงอ่างคือให้ลูกให้ผัวเขากัน <laughs> เอาเดี๋ยวหลวงพ่อจะสืบสอบดูก่อนว่าถ้าหลวงพ่อสืบสอบรู้เป็นอย่างผู้หญิงพูดนะหลวงพ่อจะเปลี่ยนคําพูดใหม่ว่ะ จะเปลี่ยนชาดกใหม่ว่ะเออแต่วนี้ชาดกเขาบอกว่าเ อ, องูเห่างูจงอางคือลูกกับเมียว่างานหน้า่ะ อ, อลุงพ่อก็พูดตามชาดกนั่นแหละวะเออถ้าว่าผู้หญิงบอกว่าไม่ใช่หรอกผู้ชายนั่นแหละเป็นงูเห่างูงูเห่างูจงอางเออลยลุงพ่อก็จะเปลี่ยนคําพูดใหม่อีกว่ะเนี่ยแหละลุงพ่อพูด อ, อให้ศึกษานักศึกษาฟัง อ, อในวันไปมอบทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะ นี่ยนะสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเองไม่ได้เนี่งดูได้ส่วนไหนที่จะช่วยเหลือวัดวาศาสานาช่วยเหลือศาสนาประโยชน์ช่วยเหลือเรื่องเครื่องการเรื่องเครื่องมือแพทย์อย่างเนี้ยนะเพราะนั้นหลวงพ่อได้จิตุปัจจัยมาหลง ล, ลูกลูกหลานไม่ต้องเป็นห่วงเอ้ยหลวงพ่อจะไปใช้อย่างไรเนาะไม่ต้องห่วงน ะ, เ, ะเดี๋ยวนี้ยังไม่พอใช้อยู่อันเถอะมันจำเป็นจะต้องได้ไดใช้ เใช้เรื่องใหญ่ๆ่เยอย่างเจดีลงตาเนี่ยเจดีลงตานี่นะปีนี้แปดหมื่นสี่พันกองกองละสามพันบาทเขาก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยในฐานะที่หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ลงตาองค์หนึ่งที่จะสร้างเจดีพิธภัณฑ์หลวงพ่อจะรับได้ไหมหนึ่งพันกองหลวงพ่อเออเอารับพอหลวงพ่อเนี่ยเมื่อวางเชดละเลิกที่วัดป่าบ้านตาหลวงพ่อบอกว่า หลวงพ่อกระซิประซาบถามว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้มีเงินอยู่ร้อยกว่าล้านที่จะสร้างพระเจดีย์หลวงพ่อก็ถามผู้ออกแบบอีกอาจารย์มหาวิทยาลายัยจะใช้เงินเท่าไหร่จะใช้เงินอยู่ประมาณสามร้อยล้านสามร้อยกว่าล้านพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อโอ้โหมันต่างกันเยอะแยะแต่นี่มาพิจารณาดูเถเนยะมาพิจารณาดูนะ นี่นะ น, น้องสาวท้อโยมท้อแก่กกหุงกันอยู่นี่นะพูดให้ฟังเลยเหมือนกันแต่นี่หลวงตาเนี่ยท่า น, นกับโรวงพี่กับผอเมืองอุดรเนี่ย เ, เข้าไปขอเครื่องมือไอเข้ไปขอตึกตึกเนี่ยตึกหลงตาที่ตึกหลังที่สร้างหลงตาเนี่ยเข้าไปหาลงไปหาหมอไอหมอไปหาห ล, ลงตาหลงตากดอนุมัติอนุมัติอตเอ้าเรารับ เราจะสร้าง เ, เท่าไรล้มตาเกือบ200ร้อล้านเนตึกหลังนี้นะแต่นี้ก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาจะเอาสิไหนหลวงพว่อกันเนไปประชุมกันกับท่านอํานาจประกาศรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนะมากับกับทางโรงพยาบาลเลยก็ได้บริษัทอิตาเลียนไทย เ, เป็นผู้มาก่อสร้างตึกหลังนี้นะเราก็ได้เอาบริษัทดีแล้วมาสร้าง พอมาเซ็นแล้วเนี่ยเขาก็เซ็นสัญญองมีมีสัญญองสัญญากันเรียบร้อยนะพอเรียบร้อยแต่เนี่ยเขาก็เอาสัญญามาไปหาหลวงตาในท่านท่านปิ๋วท่านท่านปิ๋วเน่ยอยู่ที่ไหนเ้าบอกว่าจะให้เซ็นสัญญาเนี่ยจะให้ใครเป็นคนเซ็นไปตากาเปลี่ยนหลวงตาลูกตาครับจะให้ใครเซ็นสัญญากับอิตาเลียนไทยเออเอาบักเอกนะผมบอกบักเอกก็คือหลานชายของท่านใช่ไหมละ่ะคือพาทางานอยู่ในวัดป่าบ้านตานี ก่อสร้างกุฏิกุฎสร้างอะไร ก, ก, ก็แก๊แ ก, กเป็นหลานเป็นหลานเขยของท่นานบวกเอกเนะ่ยเส้นตอนนี้อิตาเลียนไทยเข้ามาคุณมีหลักทรัพย์อะไรบ้างไหมที่จะมาเซ็นสัญญานายเอกมันจะมีอะไรใช่ไหมเป็นคนรับใช้ของวัดบริษัทอิตาเลียนไทยถอยกูดเลยไม่เซ็นสัญญาใช่ไหมถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะไปฟ้องอะไรที่ไหนใช่ไหมท่านปิวก็่าวบอกโอ้ท่านอาจารย์เขาไม่เซ็นสัญญา เช่นยายกระขายเลยปิวเช่นยายกระนายเอกโอ้ยปิวอ น, นักมวยเขาที่จะต่อยมวยเขามันก็ต้องตัวเท่าเสมอกันซะก่อนไม่ใช่ว่าจะไปตีกับกระจกงอกห้อยแต่ตีได้ยังไงอันนี้เหมือนกันอิตาเลียนไทยจะปเป็นเช่นสัญญายกับคนไม่มีหลักทรัพย์มันไม่ได้ปิวผิดแล้วผิดประเภทแล้วแล้วจะให้ทํายังไงท่านอาจารย์อา้าวให้ไปหาผู้ว่าอํานาจประกาศนะให้ไปหาให้เท่าแก่สิริ ซิลิเกนนะแล้วเนี่ยให้ไปหาทวเก๋ก็คงนั่นแหะว่าอจะเป็นลูกศิษย์ลงตาเนี่ยให้ไปปรึกษากันท่นแต่ผมเลยอยากจะให้ไปหาเทาแก่ก็คงนั่นว่าให้ท่านเซ็นสัญญาเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่และหลักทรัพย์ของท่านก็พร้อมที่จะที่จะทํากระโหลกตาเป็นลูกศิษย์ลงตาครับท่านปิวเจยเปไปหาเนี่ยแะไปหาเทวเก่ก็คงเอาได้พเพอาะทวเก่ก็คงว่าได้พ่อะอะไร เพราะลงตาเนี่ยเป็นแบ็กหลังอยู่แล้วใช่ไหมเชื่อลงตาใช่ไหมถึงยังไอองล่ะไงลงตาเนี่ยไม่มีปัญหาเงินเพียงแค่นี้แต่แกกุ๊กหงลุกเลยแตแกกุก๊กหงเซ็นสัญญากับอิตาเลียนไทยนีย่สร้างตึกหลังนี้นะแต่นี้พอมาถึงลงตาไม่อยู่เลยตอนนี้เราจะให้เซ็นสัญญาจุดนี้เป็นสามร้อยกว่าล้านเนี่ยจะให้ใครเซ็นใช่ไหอจะให้คุ ณ, คณอุดรไทยพิพัฒน์เซ็นเนี่ยคงจะโอ้ยไม่เอาแล้วผมจะขึ้เหมือนกันใช่ไหม เออถ้าหากว่าเขาฟ้องมาจะทํำยังไงใช่ไหม เ, เจ้าหาเงินที่ไหนตายได้สิเออแต่เนี้หลวงพ่อมาเพารณาอืนเอาอยัางไงมันต้องลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาเนี่ยมันต้องใจสู้นะหลวงพ่อเลขหลวงพ่ออะไรประกาศต่อหน้าฐานะกํานาในวันนั้นเน่ยทุนก็หม่อมนั่งอยู่ที่นั้นประทับอยู่ที่นั้นหลวงพ่อวันนในฐานะลูกพอ่อเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ของหลวงตานี่ยนะ เออยังไงยังไงถึงเงินจะไม่พอหลวงพ่อเองจะหาทุนเพื่อเราจะปลูกพวกลูกศิษย์ลูกหาให้ให้สู่ช่วยกันนะหลวงพ่อเนี่ยรับ50สบล้านบาทที่จะหาเงินสร้างพระจิตีของหลวงตาเออแต่ไม่ใช่ให้ทีเดียวนะให้ต่างกลามต่างวัดงวดที่หนึ่งมีเท่าไหร่หลวงพ่อก็จะสมทบเข้าไปงวดที่สองจนถึงจนครบ50บล้านบาทวันนั้นหลวงพ่อเนี่ยรับ50สล้านบาทเอ่อวันนั้น เจดีของหลวงตาเนี่ยหลวงพ่อจึงได้รับเพราะเหตุใดเพราะว่าเงินทีแรกมันมีอยู่เพียงร้อยกว่าล้านท่านเองแต่จะจะได้ใช้ประมาณสามร้อยกว่าเนี่ยหลวงพ่อก็เลยรับนะแต่มาปฏิทีก่อนเนี่ยหลวงพ่อก็รับอยู่หนะลวงพ่อจะบอกถ้าเราได้รับแล้วนะเราต้องหาให้ต่างกลมต่างว่าละหลวงพ่อจะให้แต่โดยเดิมหลวงพ่อทุนกระหม่อมท่านเสด็จมาทเนี่ย หลวงพ่อก็มอบถวายท่านไป2ล้านนะแต่คราวนี้นะ่ะผ้า1 8ื่0 0ปกองเนี่ยหลวงพ่อก็รวบรวมซ้ายขวาพอเอาทั้งแต่เตรียมทั้งแต่ข่าวนั่นกระถินผ้าป่าหลวงพ่อก็รวบรวมรวบรว ม, รวมนี่กับวันนี้ก็ได้หลายกองเหมือนกันนะเข้ามาหลวงพ่อก็รวบรวมอีกหลวงพ่อก็เลยได้3ล้านคราวนี้นะหลวงพ่อก็โอนเข้าเรียบร้อยแล้วนะ3ล้านนะเป็นนั้นว่าหลวงพ่อใช้นี่คําพูดของตนเองนะห้ลนะ้าน เดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่45ล้านนะยังเป็นนี่คำพูดตัวเองอยู่45ล้านใครจะมาปลดนี่ให้หลวงพอ่อนี่มองเห็นแต่เจ้าแก่สวนยางที่ใหญ่ที่สุดแห่งประเทศไทย น, ะ<笑><笑>นี่แหละหลวงพ่อเล่าเราให้ฟังลูกหลานคณะสัทยธธาตาิโจมนะมอโอ้สามกองเลยโอ้เกนะ้าพันเ่ เออวันนี้ได้จะแจกหนังสือนะหลวงพ่อเน่ย ว, ว, ว่าจะแจกเหรียญ น, นะขั้นได้ขั้นได้เหรียญไปแล้วก็ไม่แต่ซองใส่ซองขวามื่สองมือแล้วก็เก็บไว้ไว้หน้าไปแต่ว่าแจกหนังสือหลวงพ่อมันจะมีประโยชน์ถาว่าพวกเข้าว่างๆเรามาอา่านเนี่หนังสือสันตุจโกวาฒน์คือพวกนักศึกษาพวกปริญญาตรีโทษหัวหนอกไมอยู่มาบวช น, นะ บางที่บวดสมเดือนบางปวดปีหนึ่งบางปวดทิพามือบงางก็เป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายของเขาหลวงพอ่อเอ้พวกนี้มาบวดมันมานาั่งคิดนั่งจุกนั่งจุกนั่น ง, นงเจา้าเทีนหอดบ้านนี่ไปไอ้คนควาวนั่สิเนี่ยเอมพสามของหลวงพ่อนี่ตรงไหนที่ประทับใจให้คัดออกมาเป็นตัวหนังสืออยู่ในนมันเอาไปแถมเป็นคัดตรงมาเป็นตัวหนังสือถ้าว่าตรงไหนเสียงเอาอัดเสียงด้วยออกมาจุดนัดน่ะ จุดที่เราคัดออกมานะ่ะให้เป็นหลักฐานว่าเอามาจากเล่มไหนหน้าไหนมันเน่ยเขาเหตุเพวาะเขาเด็ดใดอิลี่เอาไปเก่งอิลี่เอาไปดงพอยอมหลับก็าเลยเขาจะใส่นีเอกพร้อมหน่อย ม, นะมาจากเล่มไหนหน้าไหนเ อ, อแผนที่เท่าไดเนี่ยเขาบอกได้ชัดเจนเลยเ อ, อแล้วที่นี่เขาก็อัดอัดอัดใส่แผนนี่พรอมัไปเ อ, อ, อัดใส่เอ็มทสามแผนนี่พร้อมนะ แต่ลกพ่อพูดในเอ MP3 เนี่ยบอกว่าเวยหลังศาสนาเซนเขาบอกว่า น, ะนำมาคิดดูสิเขาบอกว่าถ้าพวกเราหิวอาหารนำเรื่องอาหารมาสนทนากันมาพูดกันมันความมันกำจัดความหิวไม่ได้แต่หากพวกเรามีแต่พูดเรื่องธรรมะศีล อ, อ, อย่างนั้นสมาธิอย่างนี้ปัญญาอย่างนั้นแต่ไม่ได้นํามาปฏิบัติ มันก็กำจัดกิเลสไม่ได้ฉะนั้น <c oughs> นี่เขาก็อัดทนีเนะ <c oughs> นเขาก็เขียนท่จะน่อีกตั้งหากคนออกไป <c oughs> มีมีมีหลายๆอย่างอยู่ในนี่หนังสือเล่มนี้นะมีทั้ง ม, มีทั้งชารกมีทั้งนิทานมีลหลวงพ่อเรา น, นีิทานลิงเนี่ยอยู่ในนี่หลวงพ่อก็พูดเป็นนิทานถ้าพูดธรรมดานะ่มันจามันจำ มันจํายากจะพูดเป็นเนทานมันเป็นเนื้อเรื่องใช่ไหมอย่างทายทุ ก, กะตะเมื่อกี้นะีเขาพวกเจ้าคงจําำได้แล้วเออทุ ก, กะตะมันแบ่งจังไดคนไปมาในเนธานเลี่งใช่กันอันเนธานเลี่งเนะี่ยพราะพูดแตเจ้าพ้นมาเราเคยเกิดเป็นลิงแต่เราไม่เคยทิ้งพ่อแม่พ่อแม่ถึงจะยากจนขนาดไหนก็ตามเราไม่เคยทอดทิ้งพ่อแม่เราเกิดเป็นสัตติรชานเราก็ยังล้ำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่เท่าลึ ก, น, กนึกย้อนหลังดูเนี่ยแะ ผู้มีนิสัยดีถึงจะเป็นลิงกับพวกค่อยลิ้มพ่อพ่อแม่ทึกจะเป็นสัตว์ตีรสารกับพวกค่อยถิ่มพ่อแม่นี่ยจะนี่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นลิงอยู่ในป่าสมัยนั้นเราไปเกิดเป็นลิงต่อมาพ่อเราตายพ่อลิงตายที่เป็นโจจ่าหน้าจา่าฝูงต่อมาเราก็ได้เป็นหัวหน้าจา่าฝูงของลิงพอต่อมาเรามีน้องชายตัวหนึ่งเป็นลิง ต่อมาแม่ของเราตาบอดพอแม่ตาบอดเนี่ยเราก็เลี้ยงดูแม่ให้น้องชายเป็นคนดูแลเราก็เป็นจานจ่าฝูงเราไปไปก่อนไปเห็นต้นผลหม้รากไม้ที่มันดีเราก็ส่งให้ลิงเที่เป็นเสนาะบริวารไปเอาไปให้แม่แล้วนะแต่มันออกมาในบางทีมันลิงอย่างว่ามันก็กินตามทางมามันเหลือให้ให้แม่น้อยเดียว เลยมาถามน้องชายว่าเอ้ยไปไงแหมวันนี้เราฝากผลไม้มาให้แม่แหมดีไหมโอ้อยยางเหลือหน่อยเดียวแม่พี่โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่ได้เราควรจะหนีออกจากฝูงนะก็เลยคุยกับน้องชายเจสซเลยก็เลยพูดคุยกันแล้วเราจะหนีกลางคืนนะวันไหนเดือนไง่ายๆนะเราจะหนีออกจากกลางคืนถ้าหน่กลางวันไม่ได้เด็กพวกนี้ก็จะตามอีกอต้องหนี้กลางคืน แล้คุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอตกกลางคืนเดือนไงเรีเงตัวหัวหน้านกันเอาแม่มันขี่คอเลยว่างั้นอ่ะเอาขี่คอพาหนีกลางคืนเนกับน้องชายไปหนีให้ไกลเลยแตเนี่ยพอไกลไปเรื่อยก็ไปเห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งยอยู่ในในป่าดงก็เลยเอาแม่ขึ้นไปนั่งอยู่ต้นไทรแล้วก็ไปน้องชายกับเฝ้าพี่ชายก็ไปหามาหากิจมาหาผลไม้มาให้แม่ บางทีกับน้องชายไปนคนไปหาพี่ชายเป็นคนเฝ้าเปลี่ยนเปลี่ยนกันต่างต่างเฝ้าแม่แม่ตาบอดแต่เนี้พอวันหนึ่งเป็นคู่อดีคู่จตรีตรูนะนายพานเข้ามาเลนายพานเข้ามาเล่งสองตัวน้องชายกับพี่ชายเห็นนายพานเห็นนายพานมาโอ้ในพานลบท เ, เล่งสองตัวพี่น้องก็เลยหลบในกิ่งใสฮ เราไปหลบในกิ่งไทรเงียบเห็นแต่แม่มันหลบไม่ได้พอแม่มันนั่งตรงมมงอยู่มันดึงตาบอดใช่ไหมล่ะน้องชายกับพี่ชายหลบมันคงจะไม่ไม่ยิงมั่งไม่ยิงไม่ยิงลิงมั่งโคนตามปกติมันจะไม่ยิงลิงนะมันคงจะผ่านไปพอมันมองไปเห็นลิงเท่านั้นแหละอมันปลดขาธนูทันทีเลยท่นี่มันขึ้นขาธนูมันจะยิงแม่เท่นี่พอเสร็จอาวมันจะยิงแม่เราได้ไว้บอกน้องชาย เมืองต้องดูดูแลดูแลแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปไปรับลุกลกลูกธนูเองคเพราะว่าท่านันเน่ยนายท่านั้นก็โกงธนูขึ้นมาโกงธนูกมาเลีงตอนนี้นก็โดดออกจากที่ที่หลบที่ซ่อนนะเข้าไปก็ไปขวางเลยไปขวางไอ้ตุกนายบักคำังธนูมันก็เอามันก็เอาตัวใหญ่เลยใช่ไหมลูกชายเนะี่ยตัวใหญ่กวา่าใช่ไหมก็ยิงใส่เปิดตบเลยเยา อย่าอาบยาพิษตกตุม่มเลยเถอะนี่ตายไปแล้วเถอะทางน้องชายก็ยังหลบอยู่เอ๊ะมันคงจะเอาพี่ชายของเราคงจะพอหรือบ้างคงจะไม่เอาใครอีกบ้างพอจากนั้นเขากงขึ้นเขาเตรียมธนูอีกลูกที่สองอีกจะยิงแม่อีกเีลูกชายเนี่ยก็วิ่งอีกไปอีกลูกน้องชายเนี่ยไปกันอีกบ้างกันยิงก็เติบอีกตกตุ่มอีกตัวที่สองพอที่สุดนันเอาทั้งสามตัว มัดขาแล้วก็ไม้สอดหาเปลยะก็หิ้อีกต่างหากได้สามตัวนะแต่พอไปถึงไปถึงหมู่บ้านบาปกรรมของเขาไฟไหม้บ้านนายพรานกูวิ่งเข้าไปในกองไฟไฟไหม้ตัวเองแผ่นดินสูบในชาตินั้นเทวทัตนายพระในนิทานเรือ่อางชาดกในเรื่องนั้นน่ผู้ที่เป็นนายพรานน่ะคือเทวทัตเล่งที่เป็นพี่ชายใหญ่ข่าวนั้นคือเรา น้องชายเลิงคือพระอานุนแม่ของเราเน่ยคือนางเสด็จมหามายานเี่แหละเราได้เกิดเป็นลิงเราก็ไม่เคยทอดทิ้งมารดาบิดานี่แหละพวกเลิศพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ควรจะสํานึกว่าบุพภาการีคือใครที่ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วต้องเลี้ยงท่านต่อทากิจธุระของท่าน ดำรงวงสกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่บุตรธิดาอันนี้คือบุตรที่ดีบุตรสาวที่ดีบุตรชายที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยอยู่ในชารดกเล่มนี้อยู่ในเล่ม น, น, นี้นะเดี๋ยวหลว ง, งพ่อจะแจกให้ให้ให้ทั่วถึง